ก่อนเคยช้ำใจอยากได้เพชรต้องมาต่อการน้ำตาเร็ดเหนือกว่าเข็ดก็ยังไปโดนเขาลอ ทำใจติว่าพี่จรจาจรนี้แล้วแต่ทีเป็นไงเขาหล อ, อกเขาชมจนสมอมมาไยเขาหล อ, อกเขาลวงอ้อยแม่พวงมาลออัยเออมันสาใจาไม่นากลับมาเจ้าเธอ A p a r มาแต่เธอ